ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระนามว่าธรรมทัศนีศาสดานั้นมีนครชื่อที่เกิดเนี่ยนะชื่อว่าเมืองสารณะพระพุทธบิดาชื่อว่าพระเจ้าสารณะพระชนนีพระนางสุนันทาพระธรรมทัศนีศาสดามีอัครสาวกชื่อว่าพระปฐุมะและพระปุสษถิวะพุทธอุปถาชื่อว่าพระสุเนศเนี่ยนะพระอัครสาวิกาชื่อว่าพระเขมาและพระนางสัจจนามา โหพลึกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นพิมพ์พิชาละพระพุทธเจ้าผู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้เสมอพระองค์นั้นสูงแปดสิบศอกรุ่งโรดด้วยพระเดชในเหมือนโลกธาตุพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นงดงามเหมือนพญาสาพรพฤกที่ออกดอกบานสะพรั่งเหมือนสายฟ้าในนภาากาศเหมือนดวงอาทิตย์เวลาเที่ยงวัน พระผู้มีพระจักสุดำรงอยู่ในโลกแสนปีพระชนมายุของพระผู้มีพระเดชที่ไม่มีใครเทียบพระองค์นั้นก็เท่านั้นพระองค์ทั้งภาษาวกสำแดงพารัสมีทำาพระศาสนาให้ไร้มนทินก็ปรินิพานเหมือนดวงจันทร์เคลื่อนจากหนาภากาเหมือนดวงจันทร์คล้อยรับไปเนี่ยนะบอกว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะงามเหมือนสายฟ้างดงามเหมือนดวงอาทิตย์ในยามเที่ยงวันแสดงว่าถ้าอยากเห็นความโดดเด่นของพระพุทธเจ้าก็ดูดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันไร้เมฆหมอกฉะนั้นว่า ง, งันมีเดชรุ่งเรืองอย่างนั้นหรือว่าตอนที่พระองค์ปรินิพานก็เหมือนดวงจันทร์เคลื่อนจากท้องฟ้าและยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าธรรมทัศสีดับขันปรินิพานณนะพระวิหารเกสารามกรุงสารวดี นนก็พระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าธรรมทศสีก็อันตรธานหมดสูญหายดับสลายไปจากโลกวันเวลาก็ผ่านไปกลับก็ผ่านไปกลับแล้วกลับเล่าก็ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนไม่มีเลยผ่านไปฟรีกลับที่ไร้พระพุทธเจ้า1 7 0 6กกลับ ไม่มีพระพุทธเจ้าเลยนะผ่านไปพันกัปไม่มีพระพุทธเจ้านี่หมะน่าคิดนะพันเจ็ดร้อยหกกับไม่ใช่เวลาไม่น้อยเลยกับหนึ่งกับกระดูกเท่ากับภูเขาเวปุระเนี่ยกระดูกกงโตมป็นภูเขาเป็นพันพันลูกไปยังไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกไม่น่าเลยฟังแต่อาศัตทำกันขนาดนั้นนะนะไม่ได้ฟังอริยสัตว์เนิ่นนานผ่านไปพันสัตว์ทั้งหลายก็สั่งสมบาปอกุศลไม่ใช่น้อย สรุปว่าต่อจากสมัยพระพุทธเจ้าพระนามวัรรมาทัศสีผ่านไปนะหนึ่กับแต่ถ้าหากว่านับวันนี้หรือกับนี้ถอยหลังไปเมื่อ94กับนับถอยหลังนี้เนี่ยนะก็มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะผู้นําโลกผู้ทรงกําจัดความมืดทั้งปวงก็เจิดจ้าเหมือนดวงอาทิตย์อุทัยยามที่มีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาในโลกเราก็ดูช่วงเช้าเเนี่ยนะ รับอรุณเมื่อไหร่ก็ระลึกเธอว่าพระพุทธเจ้ายามที่พระองค์อุบัติเกิดขึ้นมาในโลกก็เหมือนดวงอาทิตย์ยามเช้าฉะนั้นรุ่งโรดก็ค่อยส่องสว่างท่ามกลางท้องนภากาศพระพุทธเจ้าสิท ธ, ธะพระองค์นั้นบรรลุพระสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเมื่อทรงย่างเทวโลกให้ข้ามโอกะคือเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วก็ยังโลกพร้อมทั้งเทวโลก ช่วยสรรพสัตว์ให้ข้ามกามโมฆะทิโถโคะภโคะและอวิชโชคะพระองค์เมื่อยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ดับร้อนแสดงว่าพระองค์นั้นช่วยสรรพสัตว์ให้ข้ามช่วยสรรพสัตว์ให้ดับร้อนก็ทรงหลังเมฆฝนคือทำให้ตกลงนะยังเมฆฝนคือทำนีให้ตกลงขึ้นมา พระพุทธเจ้าผู้มีพระเดชาผู้เปรียบเทียบนี้ได้พระองค์นั้นมีอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมครั้งใหญ่ๆประมาณสาครั้งอภิสมัยครั้งที่หนึ่งก็มีแกศักวิ์ประมาณแสนโกด ต, ต่อมาเมื่อทรงลั่นธรรมเพยรีตีกลองแห่งอมะตะธรรมณทนครพีมรัฐเนี่ยนะอภิสมัยครั้งที่สองก็ได้มีแกศัตดิ์90โกด ครั้งพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดในนรชนพระองค์นั้นได้เสมแสดงธรรมโปรดนกกุงเวภาระอภิสมัยการตรัสรูธ้ธรรมครั้งที่สาก็ได้มีแก่สัตว์จำนวน90โกดพระสิทธาพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีสันนบาตการประชมพระหันมสาวกผู้ไร้มนทินมีจิตสงบคงที่อยู่สามครั้ง สามครั้งมีอะไรบ้างก็คือสันนิบาตประชุมสาวกร้อยโกดเก้โกดและ80โกธเป็นมหาสันนิบาตอันนี้การเป็นประชุมสาวกผู้ไร้มนทินคือพระพุทธศาสนาเนี่ยนะประยังว่าเมื่ออุบัติขึ้นมาในโลกก็ช่วยให้สัตว์เนี่ยข้ามโอคะเนี่ยนะข้ามวัตฏะข้ามพ้นสังสารทุกข์แล้วก็ดับโลกเนี่ยนะที่ร้อนด้วยบาปอากุศลร้อนด้วยไฟคือราคะเป็นต้นให้สงบร่มเย็น แลวก็มีผู้ที่ตรัสรูบ้บรรลุธรรมตามมากมายพูดถึงขั้โพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะเมื่อ94กับนับถอยหลังจากกัปนี้เนี่ยพระองค์เป็นดาบท์ชื่อว่ามังคล ะ, ะหลายชาติด้วยกันนะที่เป็นดาบทอย่างตอนที่เป็นสุเมศบัณฑิตเนี่ยนะท่านก็เป็นดาบทเป็นฤาษีในาศาสนาพระพุทธเจ้าที่ปังกอหรือตอนที่าศาสนาพระพุทธเจ้านารทะ อ่ะ น, นะเมื่อหนึ่งอสงไขยกนพระองค์ก็เป็นฤาษีหรือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหน้านี้คือพระพุทธเจ้าอัฏฐทศนีพระองค์ก็เป็นฤาษีชาตินี้พระองค์ก็เป็นฤาษีอีกนะเป็นนักบวชเพราะว่าพระองค์มีเนคข ม, มัตยาสายัยมีอัฏยาสายน้อมไปเพื่อการบวชเป็นดาบดชื่อว่ามังคละนะฤาษีมงคลเนี่ยนะมีเดชสูงอันใครๆพบได้ยากตั้งมั่นด้วยกําลังแห่งอภิน ญ, ญา พระโพธิสัตว์เนี่ยนะก็นํผลผลชมพูมาจากต้นชมพูถวายแด่พระสิทธะพุทธเจ้านะไม่รู้ว่าต้นชมพูคือว่าพันเดียวกันกับเราหรือว่าชมพูแบบที่เรารับประทานก็ไม่ทราบนะแต่ก็เชื่อว่าชมพูตัวนี้แปลว่าต้นว่าเนี่ยนะลูกว่าเนื้อเรียกมะเกียงอ่ะนะเอามาถวายแด่พระสิทธะพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารับทราบแล้วพระองค์ก็ตรัส น่ น, นะคือหลังจากที่สเสวยผลชมพูเสร็จแล้วพระองค์ก็ได้รับพระพ อ, องค์ก็พยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่าท่านทั้งหลายจงดูชะเดินดาบทผู้มีตะบะสูงผู้นี้94กับนับแต่กับนี้ไปท่านผู้นี้จกเป็นพระพุทธเจ้าใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะ รอมาตั้งนานตัวเลขค่อยๆลดลดลดแค่รอับนับถอยหลังเสียสงไขเนี่ยนะถอยถอถอยถอยเหลือ9ก้าิบสกลับอีกไม่นานละเขาจะได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกพระตถ า, าคตออกอภินิษกรมจากรกรุงกบิลพัทอันน่ารื่นรมตั้งความเพียรทมทุกขะกิริยา พระตถาคตประทับนั่งณนะโคนต้นอชาปาลนิโครธทรงรับเข้ามาทุปายญาณณนะที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชราพระชินเจา้าพระองค์นั้นเสวยเข้ามาทุปายญาณที่ริมฝั่งแม่น้ำเ น, ำเนรัญชราเสด็จ ด, ดำเนินไปตามทางอันดีที่เขาจัดแต่งไว้ไปที่โคนโรพพฤกจากนั้นพระผู้มียศยิ่งใหญ่ทรงทำประทักษิณโพที่มันทสถาน จากตรัสรูณ์โคนโพพฤกชื่อวต้นอสัต t ะท่านผู้นี้มีพระพุทธมารดาพระนางมายาพระพุทธบิดาพระเจ้าสุทธโทธนะมีนามว่าพระโคตมะอัคระสาวกพระโกลิตะและก็พระอุปติสะผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมัน่นพุทธอุปถาชื่อว่าพระอนัน t h จากบำรุงพระชินะพระองค์นี้ อัครส า, าวิกาพระเคมาและพระอุบลวันนาผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมัน่นโพล่เพลิกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นชื่อว่าต้นอัศ ธ, ธ า, อาอัครอุปถาชื่อว่าจิตตะและหัตทะหัตถกะอลาวกะอัคราอุปถายิกาชื่อวนันทมาตาและอุตตราพระโคดมผู้มียศพระองค์นั้นมีพระชนมาายุร้อยปีเนี่ยนะ มนุษย์และเทวดาทั้งหลายฟังพระดํารักนี้ของพระสิทธะพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้เสมอพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ต่างก็ปราบปลื้มใจว่าท่านผู้นี้เป็นหน่อพู้ทางกูลเป็นผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตหมื่นโลกธาตุทั้งเทวโลกพากันโหร้องปรบมือหัวร่อร่าเริงประคองอัญชลีนมัสการกล่าววา่า ถ้าว่าพวกเราจะพลาดจากศาสนาของพระโล ก, กนาพระองค์นี้ซซในอนาคตการพวกเราจะอยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้เปรียบเหมือนอย่างว่ามนุษย์ทั้งหลายเมื่อข้ามแม่น้ําพลาดท่าน้ําข้างหน้าก็ถือเอาท่าน้ําข้างหลังข้ามแม่น้ําฉันใดพวกเราทุกคนถ้าว่าผ่านพ้นพระชินเจ้ารพระองค์นี้ไซในอนาคตการพวกเราก็จะอยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้ฉะนั้นเหมือนกัน พระโพธิสัตว์พอได้ฟังพระดำรัสพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าสิทธัตถะแล้วก็ยิ่งเลื่อมใสอธิษฐานข้อวัดปฏิบัติให้ยิ่งยวดบำเพ็ญบารมีสิบให้บริบูรณ์ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับพระสิทธัตถะพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณใหญ่นั้นพระองค์มีพระนครชื่อว่าเวภาระพระชนกพุทธบิดาพระเจ้าอุเทนพระชนนีพระนางสุภาษา พระองค์ครองคารวาสวิสัยอยู่หมื่นปีมีปราศาสตอย่างเยี่ยมสามหลังชื่อว่าโกกาสะอุปละและโกกนุทะเนี่ยนะมีพระสนมนารี4ี่0 0นดพันนางอัครมีศีคือผนางสุมาาพระอุรสพระอนุปะมะพระชินชินะพุทธเจ้าเห็นนิมิตสีเสด็จออกอภินศสกรมด้วยพระวอนะทรงบำเพ็ญเพียรสิบเดือนเต็มพระมหาวีรเศรษถผู้นำโลก พระองค์ผู้สูงสุดในนรชนอันเท้ามหาพรหมทูลอาราธนาแล้วก็ประกาศพระธรรมจักรนะมิขทายวันพระสิทธัตถะพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทรงมีพระอัครสาวกชื่อว่าพระสัมภะและพระสุมิตะพระอุปถาชื่อว่าพระเรวตะทรงมีพระอัครสาวิกาชื่อว่าพระศีละวาและพระสุรัมมาโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระองค์เรียกว่าต้น กนิกาเนี่ยนะหรือต้นกณิกาหรือกณิกาอัคราอุปถาคชื่อว่าพระสุปิยะและสัมพุทธาอาะอัคราอุปทายิกาชื่อว่าธรรมมาและสุธรรมมาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นสูงขึ้นเบื้องบนหกสิอกเหมือนรูปปฏิมาทองแปลว่าเหมือนพระพุทธรูปทองคําสูงรุ่งโรจน์นะเป็นผู้รุ่งโรจน์ในหมื่นโลกธาตุพระพุทธเจ้าผู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้เสมอ ไม่มีผู้ช่างในคุณของพระองค์ได้ไม่มีผู้ใดเปรียบกับพระองค์ได้ผู้มีพระจักสุโดยเฉพาะสัพพัญยุตยานเนี่ยนะพระองค์นั้นทรงดำรงอยู่พระชนอยู่ในโลกประมาณแสนปีพระองค์พร้อมทั้งพระสาวกทรงแสดงพระรัศมีอันไพบู์ทรงยังสาวกทั้งหลายให้บานแล้วเนี่ยนะก็คือช่วยแนะนำพระอริยเจ้าอริยสาวกให้ตรัสรู้ธรรม ส่งพิราชด้วยสมบัติอันประเสริฐแล้วก็ปรินิพานก็ปรินิพานไปแล้วนะผ่านไปแล้วเ ก, ก้บกัปเนี่ยนะไม่มีเหลือสังขารต่างหลายพระสิทธะพุทธเจ้า ว, วรามุนีปรินิพานณนะพระวิหารอนุมารามพระวรสถูกของพระองค์ในพระวิหารนั้นสูงสี่โยต์ก็แปลพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่กล่าวว่าสถูกเจดีย์ของพระองค์สูงเท่าไหรเท่าไหร่นั้นหมายความว่า พระองค์ไม่มีการอธิษฐานให้พระธาตุกระจายนะพระธาตุของพระองค์จะอยู่รวมทั้งหมดเลยนะในอัตถคถามะทุรัตถาวิลาสีอธิบายว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าธท ร, รมัทสีปริณิพานแล้วศาสนาของพระองค์ก็อันตรธานไปเมื่อกับนั้นล่วงไปและล่วงไปหนึ่งรกกับถอยหลังนะถ้ากล่าวนับถอยหลังจากกับนี้ไปก็ 94กับนับแต่กับนี้ก็ปรากฏมีพระาศาสดาพระองค์หนึ่งพระนามว่าสิทธัะผู้บรรลุประโยชน์อย่างยิ่งผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่โลกสิทธะมีความหมายว่าผู้บรรลุประโยชน์อย่างยิ่งหรือบรรลุประโยชน์สูงสุดสิทธะสิทธะตัวนี้แปลว่าสําเร็จเนี่ยนะอัตถาแปลว่าประโยชน์ผู้เข้าถึงประโยชน์ที่สูงสุดหรือผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ โลกหรือหมายความว่าสัตว์โลกนั่นเองเลยนะผู้สร้างประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกคือพระองค์ได้บรรลุถึงประโยชน์คือพระนิพพานแล้วพระองค์ก็บำเพ็ญประโยชน์เพื่อให้สัตว์บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นในพุทธวงศ์พระองค์จึงตรัสว่าต่อจากสมัยพระธรรมทัศสีพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธทาะนะพระองค์ผู้บรรลุประโยชน์อย่างยิ่งผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่สัตว์โลกผู้นำโลกผู้กำจัดความมืดยังแสงสว่างให้เจิดจ้า เหมือนดวงอาทิตย์อุทยัยแม้พระสิท ธ, ธาโพธิสัตว์ก็บำเพ็ญพระบารมีทั้งหลายหมายถึว่าบำเพ็ญบารมีจนเต็มได้แต่สรู้เป็นพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์บำเพ็ญบารมีเต็มแล้วเนี่ยนะก็บังเกิดในภพดุสิตจุติจากดุสิตถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางโสภาษาเทวีอัคาระมเหสีของพระเจ้าอุเทนกรุงเวภาระ อยู่ในพระคันกําหนดท้วนทศมาศก็ประสูติจากพระคันของพระชนนีณวิริยราชุทยานเมื่อพระมหาบุรุษสมพบแล้วการงานที่คนทั้งปวงเริ่มไวและประโยชน์ที่ปรารถนาก็สําเร็จเพราะฉะนั้นใครทําอะไรก็สบความสําเร็จหมดเลยนะความที่ทําให้สัตว์ทั้งหลายประสบความสําเร็จพระประยุรย่าของพระองค์ก็เลยขนานพระนามพระองค์ว่าเศทษฐะผู้ยัง ความปรารถนาของชนเหล่าอื่นให้สําเร็จหรือผู้ให้สําเร็จสมความปรารถนาอย่างพระโพธิสัตว์ของเราก็เรียกว่าพระสิท ธ, ธากูมา น, นึงกันนะก็คือกุมารผู้ยังประโยชน์ให้อายังประโยชน์ของชนเหล่าอื่นให้สําเร็จพระองค์ครองคารวาสวิสัยอยู่ประมาณหมื่นปีมีปราศาทตสามหลังชื่อว่าโกกาสะอุป ป, ะปะละและปทุมะปรากฏมีสนมนาฬิ 84,000 นางมีพระนาง โสมนัสสาเทวี TV เป็นประมุกแปลว่าพนางเนี่ยไม่เครียดเลยอารมณ์ดีตลอดลนะโสมนัสแปล ว, ว่าคนอารมณ์ดีใจดียิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงเลยนะพระอนุปมะกุมารโอรสของพระนางโสมนัสสาเทวีสมพบประสูศุแล้วก็เห็นนิมิตสในวันอาสาลหะปรมีพระโพธิสัตว์ก็ออกพิเนสกรมด้วยพระวอทองสเสด็จไปยังวิริยะราชอุทยานพนวด มนุษย์แสนโกรธก็บวชตามเล่ากันมาว่าถ้ามหาบุรุษบำเพ็ญเพียรสิบ เ, เดือนกับบรรพชิตเหล่านั้นในวันวิสาขบุรีพระองค์สเสวยเข้ามาทุ่ปาหญ้าที่ทิดาพราหมณีชื่อวสุเนตาตําบลบ้านอัสติสพราหมณ์ถวายทรงยับยั้งพักกลางวันนะับป่าพุษาในเวลาเย็นพระองค์ทรงรับหญ้าแปดกามที่คนเฝ้าไร่ไรข้าวเหนียวเนี่ยนะชื่อว่าวรุณะถวาย พปรองล่าสันทัดย่า4ี่สอบประทับนั่งขัดสมาธิบรรลุพระสัพพันยุตยานแล้วพระองค์ก็เปล่งอุทานว่าอนเนกชาติสังสารังเป็นต้นโปรองยับยั้งอยู่บริเวณที่ตรัสรู้ประมาณ7สัปดาห์เนี่ยนะไม่ใช่เจวันนะเห็นภิกษุประมาณแสนโกรธที่บวชพร้อมกับพระองค์เป็นผู้สา ม, มารถแทงตลอดสัจจะสพระปรองก็เสด็จไปโดยอากาศ มันผู้ที่ออกบวชตามพระพุทธเจ้าโดยมากมีวาสนามีอุปนิสัยที่จะได้ตรัสรู้แต่บางท่านถึงจะว่ายากสอนยากอยู่บ้างในที่สุดก็ตรัสรู้เหมือนกันเช่นคล้ายๆกับพระพุทธเจ้าของเราคือใครพระฉันนะเนี่ยจะว่ายากสอนยากแนะนํายากแต่ว่าในที่สุดท่านก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนบรรลุมรรคผลเหมือนกันกล่าวต่อไปว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะ มีอภิสมัยครั้งที่หนึ่งมีผู้ตรัสรู้ตามประมาณแสนโกดพระพุทธเจ้าตรัสเล่าให้ภาษารนบทฟังว่าพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นบรรลุพระสัมโพธิญาณแล้วเมื่อทรงยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามโอคะเมื่อทรงยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ดับร้อนจึงทรงหลังฝนคือทําให้ตกลง น, นะนะทำก็คือพระธรรมเทศนา ให้เขาเหล่านั้นได้ปฏิบัติในโพธิปักญยธรรมดับความทุกข์ทั้งมวลพระพุทธเจ้าผู้มีเดชที่ไม่มีผู้เปรียบได้พระองค์นั้นมีพิสมัยการตรัสรู้ใหญ่ๆ อ, อยู่3าครั้งครั้งที่1แสนโกธบทว่าธรรมะ เ, เมเคณะรรมเมเคนะได้แก่เมฆฝนคือธรรมกคาถาคำว่าเมฆฝนคือธรรมกาถาที่พระองค์ให้ตกลงมาเนี่ยพระองค์ทำที่ทั้งสิบให้เต็ม นนด้วยพระสุรเสียงเสียงของพระพุทธเจ้าเหมือนเสียงของเขามหาพรหมสำเนียงเนี่ยเสนะเหมือนกับเสียงนกกระเวกร้องสบายโสดเสียงที่ไพเราะอย่างยิ่งจับใจบัณฑิตชนนัผู้ที่ได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระองค์ก็เหมือนกับอภิเสดด้วยน้ําอมตะเพราะพระองค์ลั่นกลองอมตะรำเพรียเรียกว่าลั่นกลองประกาศอริยมรรคประกาศมัชชิมาปฏิปทาให้เขาเหล่านั้นตรัสรู้ธรรมเต็มที่ ผลทพราะอภิสมัยครั้งที่สองก็มีแก่สัตเก้าโกธดังที่พระองค์ตรัสว่าพระสิทธัตถะพุทธเจ้าทรงลั่นกลองธรรมในพีมรัฐนครอภิสมัยการแตสรุธธรรมยิ่งใหญ่ครั้งที่สองก็มีแก่สัตเก้าโกธสําหรับครั้งที่พระสิทธัตถะพุทธเจ้าแสดงพุทธวงศ์ในสมาคมพระญากรุงเวภาระ พระองค์ยังธรรมจักสุให้เกิดขึ้นแก่สัตว์จำนวน9กโกธนี้เป็นอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมครั้งใหญ่ครั้งที่สเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดในนรชนพระองค์นั้นทรงแสดงธรรมอภิสมัยครั้งที่สได้มีแก่สัตว์เกโกธพระราชาสองพี่น้องนะท่นามว่าสภพะและสุมิตะ พระราชาสององค์นี้ครองราชณอมอรนครอ ม, มารานครหรืออมอรนครซึ่งงามน่าดูเหมือนดังเทพนครลำดับนั้นพระสิทธาศ า, าสดาเห็นอุปนิสัยสมบัติของพระราชาสองพระองค์นั้นเสด็จไปทางหน้าภาการลมท่ามกลางอมอรนครพระองค์แสดงเจดีย์คือรอยพระบาทเหมือนเหยียบพื้นแผ่นดินด้วยพระยุ ค, คลบาทซึ่งมีฝาพระหัตประดับด้วยลายจากแล้วเสด็จไปยัง อมระราชุทยานที่เรียกว่าประทับรอยพระพุทธบาทให้สองกษัตริย์ได้เห็นหลังจากที่พระองค์ประทับรอยพระบาทพระองค์ก็เสด็จไปประทับนั่งเหนือพื้นศิลาศิลาตัวนี้เยือกเย็นด้วยพระกรุณาของพระองค์เป็นสถานที่น่าเรื่นรมย์อย่างยิ่งจากนั้นพี่น้องสองพระราชาเห็นพระเจดีย์คือรอยพระบาทที่พระองค์เสด็จประทับเอาไว้เนี่ย พระราชาสองพี่น้องก็ตามรอยพระบาทเข้าไปเฝ้าพระสิทธัตถศาสดาผู้บรรลุประโยชน์อย่างยิ่งถวายบังคมและประทับนั่งล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมอันเหมาะแก่พระอัธยาศัยโปรดพระราชาสองพี่น้องนั้นพี่น้องสองพระองค์สดับธรรมกถาของพระศาสดาพระองค์นั้นแล้วก็เกิดพระสัทธาพนวดแล้วก็บรรลุพระอรหันตทั้งหมด พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกปาติโมกขึ้นแสดงท่ามกลางพระขีนาศบร้อยโกรธนั้นอันนั้นเป็นสันนิบาตการประชุมพระสาวกครั้งที่1พระองค์นั้นยกปาติโมกขึ้นแสดงท่ามกลางบันประชิต90โกรธในสมาคมพระญาติณกรงเวภาระอันนี้เป็นสันนิบาตการประชุมสาวกครั้งที่สองพระองยกปาติโมกขึ้นแสดงท่ามกลางบันประชิต80โกรธ ที่ประชุมณสุทัศนวิหารนั้นเป็นสาวกสันนิบาตครั้งที่สด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสว่าพระสิทธะพุทธเจ้าผู้ผสแสวงคุณยิ่งใหญ่ทรงมีสันนิบาตประชุมสาวกขีนาศู้ไร้มนทินมีจิตสงบครั้งที่คงที่อยู่สามครั้งสถานสมเหล่านี้คือสันนิบาตพระสาวกร้อยโกด9 0้โกดแปโกดเป็นสันนิบาตพระสาวก ผู้ขีนาศผู้ไร้ยมนทินสำหรับพระโพธิสัตว์ของเรานั้นเป็นพรามชื่อว่ามังคละนกรงสุรเส์พระโพธิสัตว์นั้นเรียนจบตรยเพศเวทางคณศาสตร์บริจาค ก, กองทรัพย์นับได้หลายร้อยโกดพระโพธิสัตว์นั้นเป็นผู้มีอัธยาศัยยินดีในวิเวกบวชเป็นดาบททมฌานและอภินยาให้เกิดอยู่พระโพธิสัตว์นั้นพอได้ทราบข่าวว่าพระเจ้อ พระพุทธเจ้าพระนามว่าเิทธฐาอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระโพธิสัตว์ก็เข้าไปเฝ้าถวายบังคมแล้วฟังธรรมกถาของพระองค์พระโพธิสัตว์เข้าไปยังต้นชมพูอันเป็นเครื่องหมายของชมพูทวีบด้วยฤทธิ์นำผลชมพูแล้วมาอาราธนาพระสิทธถาผู้าศาสดาผู้มีภิกษุบริวาร90โกรให้ประทับณสุรเสณวิหารเลี้ยงดูด้วยผลชมพูให้อิ่มน้ำสาราน ลำดับนั้นพระศาสดาสเสวยผลชมพูนั้นเสร็จแล้วก็พยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่าในที่สุด94กับนับแต่กับนี้ไปพระองค์จักเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะดังที่พระองค์ตรัสเล่า ว, ว่าสมัยนั้นเราเป็นดาบทชื่อว่ามังคละมีเดชสูงอันใครๆเข้าพบได้ยากตั้งมั่นด้วยกำลังแห่งอภิน ญ, ญาเรานำผลชมพูมาจากต้นชมพูได้ถวายแด่พระสิทธะพุทธเจ้า พระสัมพุทธเจ้าทรงรับแล้วตรัสพระดำรัสดังนี้ว่าท่านทั้งหลายจงดูชดินดาบทผู้มีตาบะสูงผู้นี้อีกเก้าสิบสี่กับนับแต่กับนี้ไปเขาจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็พยากรณ์อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วพระองค์พระโพธิสัตว์พอได้ฟังพระดารัสของพระพุทธเจ้าแล้วก็เลื่อมใสอธิษฐานข้อวัดอย่างยิ่งยวดขึ้นไปเพื่อบาเพ็ญพระบารมีสิบให้บริบูรณ์ ในที่สุดก็บำเพ็ญบารมีทั้งปวงให้บริบูรณ์ได้แต่สรู้เป็นพระพุทธเจ้าสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธะนั้นมีนครที่เกิดชื่อว่าเมืองเวภาระพุทธบิดาพระเจ้าอุเทนพระพุทธมารดาพระนางสุภาษาพระสิทธะพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นมีภาษาอักษรสาวกชื่อว่าสัมทะ และพระสุมิตะพระพุทธอุปถาชื่อว่าพระเรวตะพระองค์มีอัครสาวิกาชื่อว่าพระศีวลาและพระสุรามาโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระองค์เรียกว่ากนิการะต้นกันิกาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นสูงขึ้นสู่ฟ้า60สบศอกเสมือนรูปปฏิมาทองเหมือนพระพุทธรูปทองคำนะจึงรุ่งโรจน์เหมือนในหมื่นโลกธาตุ พระพุทธเจ้าพูดเสมอด้วยพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้เสมออันใครใครช่างไม่ได้ไม่มีใครเปรียบเทียบได้ผู้มีพระจักสูตรพระองค์นั้นทรงดำรงอยู่ในโลกแสนปีพระองค์ทั้งพระสาวกทรงแสดงพระรสมีอันไพบูญยังสาวกทั้งหลายให้บานด้วยวิมุตย์นะเนี่ยนะวิมุตคือสมุทเฉทวิมุตปฏิปสัตทิวิมุตนิสระวิมุต ให้ท่านเหล่านั้นงดงามด้วยสมาบัตินะเช่นพระลัสมาบัตินิโรสมาบัติเป็นต้นอันประเสริฐเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จดับขันธะปรินิพานบทว่าปุพหาเปตตาวานะพระองค์นั้นทำให้สาวกเหล่านั้นบานด้วยดอกไม้คือชานอภิญญามักผลและสมาบัติถึงความโสภากอย่างยิ่งเพว่าวังงดงามนะแบ่งในส่วนของ คุณธรรมที่สาวกทั้งหลายเบียาด้วยสมาบัติและอภิญญาอันเป็นโลกิยะและโลกุตระได้ยินว่าพระสิทธะ ศ, ศาสดาสเสด็จ ด, ดับขันธปรินิพานณนอนโนมะราชุทยานกรุงการจนะเวลุณทนะ ร, ราชุทยานนั้นนั่นเองเขาช่วยการสร้างพระเจดีย์สำเร็จด้วยรัตนสูงสี่โยชสำหรับพระองค์นั่นแลเนี่ยนะก็ ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิท ธ, ธัะก็หมดไปจากโลกนะปัจจุบันนี้ก็ระนะเมื่อ94กลับกัที่แล้วเคยมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนะซึ่งกับนั้นก็ล่วงเลยผ่านมา94กลับกัถ้าสำหรับพระโพธิสัตว์ของเราก็เชื่อว่าใกล้เข้ามาที่จะได้ตรัสรู้ธรรมนะนมะันพวกเราทั้งหลายก็ได้เชื่อว่าได้ฟังคาสอน กล่าวถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะวันนี้ได้หลายพระองค์ด้วยกันมันสําหรับการกล่าวพุทธวงศ์ในวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ตอท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีส่วนได้กาในการปฏิสรุธธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นทุกท่านทุกคนนะุนมโมทนา